เมื่อเดือนที่แล้วตา ม, มาได้ไปเทศงานศพนะที่อำเภอพนมสา ร, รคามนะชะเชิงเซานะผู้ตายเนี่ยตา ม, มาไม่รู้จักนะแต่ว่ารู้จักกับลูกของผู้ตายนะ คืออาจารย์ปริญญาเนลมิตรเทวกุลผู้ช่วยที่การบรดีธรรมศาสตร์งานนี้ก็มีคนมาร่วมเยอะนะเป็นงานใหญ่เพราะว่าคุณนรงค์เนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของอำเภอนี้แล้วก็อำเภอนี้ก็มีนักการเมืองที่เป็นที่รู้จักส่วนลูกชายก็เป็นผู้ช่วยที่การบรดีก็รู้จักผู้คนมากมายนะนักการเมืองทั้งฝ่ายสีเหลืองสีแดงก็มากันงานนี้เจ้าภาพบอกว่างดรับซอง ก็นับว่าแปลกดีนะเพราะว่างานศพเนี่ยเวลาใครไปร่วมก็จะต้องมีซองมาให้กับเจ้าภาพเข้าใจว่าเจ้าภาพเนี่ยคงจะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เวลาไปงานศพเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะกลายเป็นข้อบังคับเลยแล้วก็คื อ, ค อ, คอต้องมีซองเอาไปด้วยนะใครที่ไม่มีเงินนะก็จะรู้สึกตะคดตะขวงนะก็ต้องไปหาเงินมาแล้วผู้ตายคงจะรู้จักคนทุกระดับชั้นนะก็อยากจะให้มาร่วมงานศพได้แบบสบายๆไม่มีเงินก็มาได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตามต่างจังหวัดนะหรือจะรวมถึงกรุงเทพเนี่ยเวลาไปงานศพเนี่ยนะให้เงินใครไปเนี่ยก็จะจดเอาไว้นะว่าอ่า ให้ไปเท่าไหร่นะบ้านเนี้ยให้ไปห้าร้อยให้ไปพันหนึ่งล้วก็เกิดว่าถึงเวลาที่เขาจะมาร่วมงานของเราเนะีย ก, ก็คาดหวังว่าจะต้องได้ไม่น้อยกว่าที่เคยให้นะเช่น500อหรือพ0 0หนึ่งถ้าได้ต่ำกว่านั้นก็จะไม่พอใจนะเพราะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าผ้ามีนต้องจดมาเลยนะว่าบ้านนี้ให้เท่าไหร่นะแล้วก็เวลาจะไปงานของบ้านนั้นก็ต้องเปิดดูว่าให้เท่าไหรนะ่แล้วก็ต้องให้เท่ากันหรือว่าไม่น้อยกว่านั้นมากกว่าได้มันก็กลายเป็นเรื่องของอการตอบแทนกันซึ่งถ้าถ้าไม่ระมัดระวังก็ทําให้เกิดความบาดหมางนะความไม่พอใจกันนะเพียงเพราะว่าได้น้อยกว่าที่เคยให้นะงานนี้ก็มีการแจกหนังสืองานศพนะ อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมอาตมานี่ก็ชอบอ่านหนังสืองานศพนะโดยเฉพาะตอนที่เป็นประวัติผู้ตายเพราะว่ามักจะได้เกิดเล็กเกดน้อยนะหรือบางทีก็เป็นเรื่องของธรรมะนะเพราะผู้ตายบางคนก็เป็นคนมีธรรมะนะโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวนะก็เล่มนี้ก็มีเรื่องน่าอ่านอยู่หลายตอนนะโดยเฉพาะเรื่องเล่าระหว่างพ่อกับลูกนะลูกชายเนี่ยก็ตอนหลังมีเวลาก็ไปซักถามประวัติของพ่อแล้วก็มีประวัติบางตอนที่น่าสนใจ อย่างเช่นคุณนรงค์เนี่ยเคยเล่าใังว่าเมื่อสักเจ็ดิบแปดิปีก่อนเนี่ยตอนที่ตัวเองเป็นเด็กเจ็ดแปดขวบเนี่ยวันหนึ่งพ่อเนี่ยชวนชวนไปกราบหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงนี่ก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะท่านอยู่สนามชัยเขตสนามชายเขต น, นี่ก็ห่างจากพนมสารคามประมาณ 30- 40กิโลพหาหน้าที่ใช้นะในการเดินทางเนี่ยจากพนมสารคามเนี่ยไปสนามชัยเขตนี่คืออะไรนะคือมา้านะต้องขี่ม้าไปมันไม่มีรถนะ ไม่มีรถที่ไปหาหลวงพ่อคงก็เพราะว่าหลวงพ่ออายุจะมีการทำบุญอายุครบหนึ่งร้อยหกปีนะท่านอายุยืนมากนะอายุหนึ่งนระ้อยหกปีเนี่ยก็ขี่ม้านะพ่อพ่อของผู้เล่าเนี่ยก็คือปู่ของอาจารย์ปิเรนยาเนี่ยก็ขี่ม้านะส่วนคุณนรงซึ่งเป็นเด็กนะก็นั่งข้างหลังเกาะเอวพ่อแต่สิ่งที่แปล ก, กใจคือว่าพ่อบอกเด็กชายนารงนะว่าให้เอา หอมเนี่ยสี่ห้าพวงเลยนะสี่ห้ากำเลยนะเอาไปด้วยนะเด็กก็ไม่รู้ไปทําอะไรนะหอมหัวแดงกันนะก็ขี่ม้าไปตั้งแต่เช้านะขี่ตอนบ่ายบ่เนี่ยบ่ายบายนี้ไม่ถึงเลยนะกลางทางเนี่ยขี่อยู่ดีๆเนี่ยม้าเนี่ยนะมันตกใจมันยกขาหน้าขึ้นแล้วก็เด็กเนี่ยก็ตกลงมาจากมา้าส่วนม้าเนี่ยพอมันก็พอมันยกขาหน้าเสร็จนะมันก็ล้มตัวลงนอนเลยนะมันไม่วิ่งต่อนะเด็กก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พ่อเนี่ยนะมีสติดีบอกว่าให้เด็กเนี่ยเอาหัวหอมเนี่ย ข, ขยี้นะบี้นะแล้วก็ไปไปปาดที่จมูกของม้านะพอปาดเสร็จเนี่ยม้านี่มันลุกขึ้นเลยนะเสร็จแล้วก็เดินทางต่อได้เด็กก็สงสัยว่าปาดทําททไมแต่ก็ไม่กล้าถามพ่อนะสักพักเนี่ยเห็นเสือเห็นเสือตัวใหญ่เลยนะโหมันเดินผ่านมาถามพ่อก็เลยรู้ว่าไอ้ที่ปาดเนี่ยไอ้ที่อาการที่ม้าเนี่ยมีอาการแบบนี้เพราะว่ามันได้กลิ่นเสือ พอไม่ได้กลิ่นเสือนี่นะมันตกใจมันตกใจไม่พอนะมันหมดแรงเลยนะมันนิ่งเลยนะนอนยอมให้เสือเนี่ยมากัดมันมากินมันสัญชาตญาณของม้านะพอมันได้ินกลิ่นเสือนี่มันยอมแพ้เลยนะไม่สู้ด้วยไม่หนีด้วยนะอันนี้ก็แปลกดีแต่ว่าพ่อเนี่ยนะเป็นคนที่รู้ที่ใส่สัญชาตญาณของม้าและที่เอาหัวหอมเนี่ยมาทาเนี่ยตรงจมูกม้าเพราะะไรเพราะว่ามันจะได้แสกเนี่ย พอแสบแล้วมันจะได้ก็จะได้วิ่งหนีก็จะได้ก็จะไม่ได้กลิ่นนะนอกจากไม่ได้กลิ่นแล้แสบมันก็ทําให้เนี่ยมันก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยนะเพราะความแสบของมันเนี่ยแ้วต้องทําหลายครั้งนะเพราะว่าขี่ม้าไปสักพักอ้าวม้ามันมีอาการอย่างนี้แล้วขี่ม้าไปสักพักก็เห็นเสือนะพนมสารคามเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันมันเป็นป่านะแล้วยิ่งสนามชัยเขศเนี่ย มันเป็นป่าดิบมากเนี่ยใครที่ไปสนามชัยเขตทุกวันนี้เนี่ยคงนึกไม่ถึงนะว่าสมัยก่อนนี่โหมันเป็นป่าดิบมากเลยคุณนรลุงบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาเดินเข้าไปเนี่ยนะเส้นทางเนี่ยมันก็เป็นทางเส้นทางเล็กๆนะเงยหน้าเงยหน้ามองเนี่ยนะไม่เห็นฟ้าเลยนะเห็นแต่คาคบของต้นไม้นะแสงแดดก็ส่องมาไม่ถึงฟังแล้วก็ทําให้นึกถึงที่นี่เลยนะสมัยที่หลวงพ่อคําเขียนมาใหม่ๆเนี่ยนะท่านบอกว่าเดินจาก ถ้ามาไฟหวานมาสุกโตเนี่ยนะไม่เห็นแดดเลยต้นไม้ตลอดนะต้นไม้นี่ครึ้มนะสนามชายเคเนี่ยเมื่อเจ็0สิบแปดสิปีก่อนเป็นอย่างนั้นเพะฉะนั้นก็เลยมีเสือเยอะนะก็สุดท้ายก็ไปถึงวัดนะวัดหลวงปอกหลวงพ่อคงวัดซ้ำป่างงามนะฟังดูเหมือนกัเป็นอีสานนะซ้ำเนี่ยวัดซ้ำป่า ง, งามไปถึงหลวงพ่อคงก็มาต้อนรับ แล้วก็พูดทักขึ้นมาว่าเป็นยังไงรู้ว่ามาก็เลยส่งลูกน้องมารับเด็กนี่งงเลยนะลูกน้องอะไรไม่เห็นมีใครมารับเลยถามพ่อเ่าก็บอกว่าก็เสือไงเสือนั่นแหละคือลูกน้องหลวงพ่อคงนะแล้วหลวงพ่อคงนี่รู้ได้ยังไงว่าว่าจะมีคนมาหานะนะเสร็จแล้วค่ำวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อคงก็ให้พ่อและคุณนรงเนี่ยไปไปนอนนะไปพักที่โบสนะ โบสนี่ก็เป็นสูงต้นไม้ใหญ่เป็นเป็นโบสไม้นะต้นไม้สูงใหญ่ๆทั้งนั้นช่วงนั้นคนคงยังไม่มากันนะงานบุญเนี่ยร้อยหกปีนยระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเด็กเนี่ยก็ปวดฉี่นะปวดฉี่ก็เลยออกมาเดี๋ยวไม่ทันจะเท้ายังไม่ทันแตกพื้นเลยเห็นเสือตัวใหญ่ๆนะเจ็ดแปดตัวนี่เดินเพ่นพ่านอยู่หน้าโบสถ์บอกว่าเด็กนี่นะ ฉีไม่ออกเลยนะบอกว่าตกใจมากนะรีบกลับไปนอนเลยมารูภ้ภายหลังว่าเนี่ยเจ็ดปดตัวนะั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสือธรรมดานะมันเป็นลูกน้องหลวงพ่อคงนะโอ้แท้ว่าท่านมีเมตตามากเลยนะมีเมตตาไม่พอนะสามารถที่จะสะกดเสือเนี่ยให้ให้ให้เชื่องได้นะอันนี้คุณนรลวงว์เนี่ยพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อนะนะ ตมาเล่ามันเนี่ยก็คงจะหลายคนคงไม่เชื่อมันเป็นไปได้ยังไงนะนะเสือนี่เจ็ดแปดตัวนี่มาเดินนะคล้ายๆเป็นทหารยามนะเฝ้านะมันคงไม่ใช่ป้องกันตันอันตรายแต่ว่ามันคงจะศรัทธาหรือว่ารู้สึกผูกรู้สึกนับถือหลว ง, งพ่อคงมากแล้วก็เลยมาอยู่ใ ก, ใกล้ๆแถวบ้านเราเนี่ยก็เคยมีนะนะญาดีเนี่ยญาดีเนี่ยมันมีตําบลหนึ่งเนี่ยนะผ้าไหมจะ ไม่รู้นะมันมีตำบลหนึงก็ตำบลบ้านเก่าญาดีนะญาดีเนี่ยหลวงพ่อขมเขียนว่าเคยพบนะญาดีนี่มามาหาคล้ายๆว่าจะมาขอเล่ยลายเงินนะไปทำบุญอายุก็มากแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่า ว, ว่าญาดีเนี่ยอยู่คนเดียวในป่านะแถวนั้นสมัยก่อนบ้านเก่าญาดีนี่เป็นป่าที่ขึ้นมาเพราะว่าไม่สบายแล้วก็เหมือนก็ว่าปูดนะป่ด้วงเนี่ยปู่ด้วงเป็นคนสมัยกันที่สองเนี่ยมามาเข้าฝันหรือมา มาปรากฏในนิมิตว่าให้ขึ้นมาข้างบนนะปู่ด้วงอยู่แถวตาดโตนนะ่ะนะปู่ด้วงญาติดีอันนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถวนี้แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านแถวนี้หนุ่มสาวไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าเป็นใครนะญาติดีขึ้นมาต่อหลังก็หายนะหายก็อยู่ก็เลยอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวในป่านี่คนก็แปลกใจอยู่ได้ยังไงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีนี่มันก็สิงสารสัตว์ทั้งนั้นมีคนเคยมาหายาดีก็ตกใจนะเพราะว่า มีจระเข้เนี่ยมานอนอยู่นะใต้ถุนกุฏิอ้ใต้ถุนบ้านมั่งมีเสือด้วยนะะวันดีคืนนี้ก็มีเสือผ่านมาหรือไม่รู้ว่าเสือประเพร์อาจจะหมอบด้วยซ้ำนะปู่ดวงญาติญาติดีนี่เรียกว่ามีมี ม, มีคงมีคาถาหรือมีของดีนะของดีคนก็ต้อเป็นคาถาเนี่ยแต่ จ, จะเป็นความเมตตาก็ได้ความเมตตางญาติดีนี้ก็สามารถทําให้พวกสัตว์ดุร้ายเนี่ย สมัยก่อนแถวนี้ก็มีจระเข้นะถึงเรียกว่าวังเข่งไงนะวังเข้นี่นะแล้วจระเข้ก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะแถวหนาแถาตำบลน่นะบ้านเก่า ญ, ญาดีนี่ก็กมีจระเข้มีเสืองั้คนเหล่านี้นี่แล้วว่ามีความเมตตามากนะนี่ขนาดคารวะ น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีแบบเป็นเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคงนี่คงจะนะสามารถสะกดเสือได้ เด็กเนี่ยก็แปลกอย่างนี้ที่แปลกใจคือหลวงระอคงเนี่ยอายุร้อยหกปีนะแต่ว่าดูรูปร่างเนี่ยเหมือนคนอายุแค่ห้าสิบหกสิบปีนะแสดงว่าท่านก็คงมีอะไรดีไม่น้อยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะซึ่งามาเล่าสู่กันฟังก็ดีนะเพื่อที่ได้เห็นว่าธรรมชาตินะสมัยก่อนนี่ป่าของเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากนะแค่ชาเชิงเซาแค่นี้แลหละโเสือนี่เพ่นพ่านเลยนะไม่ต้องพูดถึงช้างแต่ที่ น่าทึ่งมกแล้วคือตัวหลวงพ่อคงนะซึ่งสามารถที่จะทำให้สัตว์น้เชื่องได้สัตว์ดุร้ายนะอันนี้ก็เล่ายฟังเพราะว่ามันก็เป็นเกดและเกดน้อยที่อบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยสมัยก่อนนะซึ่งสมัยนี้คงนึงไม่ถึงว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรื อ, นะอแล้วก็พวกเราก็เตรียมรับพร